สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสจิให้เคลื่อนจึงใช้ขาหนีองค์ชาติน้ำอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทร ง, รงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทาน้าอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้า ภิกษุเธอต้องอบัตสังคาที่เสษวงเล็บเรื่องที่ส1สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้าอสุจิให้เคลื่อนจึงใช้ขาหนีบองค์ชาติแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาที่เสษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไร